กันที่หกอิสรภาพของใจพี่น้องอย่โยม <c oughs> แล้วประสงค์องค์เจ้า <c oughs> หลวงโป่งบดีมาวัดวัดเวทองพระโูมเนี่ยมันจี่ปีมาแล้วเนี่ยเกือบหลงทาง แล้วทราบข่าวหลวงปู่เสกคอนไม่สบายก็เลยมีเวลาว่างาวันสองวันเออไปเยี่ยมท่านสักหน่อยถามดูอาการก <c oughs> ็เพื่อสุขภาพของท่าน <c oughs> ยังอยู่ในฐานะที่น่าเป็นห่วง เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของท่านก็ว่าจะนิมนต์ท่านไปหาแพทย์หาหมอทางกรุงเทพพอลูกศิษย์ของท่านอยู่ทางกรุงเทพก็มีหลายแพทย์หลายหมอให้ไปเช็คสุขภาพดูอันไหนที่น่าเป็นห่วงยังไงใจโยกใจยายังไง <c oughs> ก็จะได้อาใจแพทย์หมอช่วยดูแลรักษาช่วยพอมาถึงท่านจันน้ำปานาคุยกันปารบเรื่องโรคภัยกา้เจ็บท่านกว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกเออถ้าเปกไม่มีปัญหาอะไรก็พาหน้องพานโนมอยู่ที่นี่ที่เป็นแพทย์เป็นหมอก็มีที่เนี่ย ทราบข่าวว่าความดันของท่านผิดปกติกเกาเครื่องมาวัดความดันดูความดันเราเหตุก็ไม่มีปัญหาอะไรทราบข่าวว่าไขามัน <c oughs> ทางเส้นเลือดผิดปกติก็ดูเช็คผลการเดอที่หมอเอาเลือดไปเช็คดูไขมัน ทางเส้นเลือด ก, ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วดูพฤติกรรมกิริยามรยาิการแสดงออก <c oughs> ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอะไรมากอส่วนาการที่ท่านหอกล้มอมนนนานเกี่ยวกับ คงจะเป็นาธาตุขันของท่านไม่ปกติในขณะนั้นหน้าเมืดวูบลงลนาะอันนั้นช่วงนั้นท่านก็รู้ตัวของท่านว่าเหตุผลเหตุการณ์เป็นยังไง <c oughs> ฟังแล้วก็มีเหตุมีผล <c oughs> แต่แล้วช่วงระยะนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไร ที่เป็นห่วงก็อย่างว่าละคุบาอ <c oughs> คุบาจานทุกทุกวง <c oughs> เป็นหลักใจของชาวพุทธตลอดถึงประสงค์องค์เนรแม่ขาวนางชิวบาศกบาศิกา <c oughs> ถ้าหลักใจเนี่ยไม่แช่มแจ้ง ทำให้เกิดมีตกกังวลกับครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักใจ <c oughs> แต่และภาคแต่และภาคทั้งภาคนี้ก็มีหลวงปู่เจ้กรเป็นหลักใจ <c oughs> พอสงองค์เนนในท้องถิ่นตามป่าตามเขาก็มีหลายท่านหลายสำนักโดยจะพอหลักใจของ กูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมาฐานภาคปฏิบัติก็อย่างบ้านนะอย่างที่พวกเราโลโลโยอ่องค์หลงตาบันตาดก็เพิ่งเส่นได้โยไปนอกจากนั้นก็ไม่มีใครแล้วเนี่ยถึงจะมียังมีชีวิตโยอายุท่านก็มากแล้วทำประโยชน์ ปลุกความสำเนึก <isty ak les> ให้ชาวพุทธรู้ตัวในทางภาคปฏิบัติประสงค์วงเดนญาติโยมเนี่ยก็ที่เป็นกำลังใจส่วนนั้นก็จะน้อยไปน้อยไปหมดไปหมดไปมันเป็นกฎธรรมชาติกระเลื่อรุนลูกรุนหลานรุนน้องรุนหน่มรุนโรกรุ่นหลานอะไรที่เนี่ย เสื่ออดเป็นกำลังเป็นหลักใจ <c oughs> ของพี่น้องเจ้าพดทั่วประเทศทุกภาคในประเทศไทยและจากนั้นเหลือรุ่นโรออกรุนหลานรุนน้องรุนนมตรงนี้แหละออโดยจะพาะหลงปู่สาคร ก็เคยอยู่ด้วยกันกับหลวงปู่ฟันกับเราแต่เราเป็นล่นพี่ท่านเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันมาส่วนมากก็รู้รู้อยู่ยันดาการทียอาตมามาข่าวนีอ่อย่างที่ความตั้งใจมากส็สนและเจตนามาอย่างทีทวาเนี่ยเป็นห่วง ในสิ่งที่ควรเป็นห่วง <c oughs> พอท่านเป็นครูบาอาจารย์พอที่เป็นหลักใจของพี่น้องชาวพทุทธนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ส่วนที่จะมาเสริมกำลังใจช่วยกันที่เนี่ย เสริมกำลังใจคือพระสงฆ์องค์เจ้าแม่ขาวนางชีอุวบาจกุบาสิกาสถานที่ที่พวกเราอยู่เนื้ถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า อุปชาอาจารย์ทุกองค์พวกเราบรรพชาอุปสมบทจากันเสร็จแล้วท่านชีที่อยู่ของผู้ปฏิบัติท่านชีเขาป่าตามทรรเงื่อผาป่าเขาลุกกมลหนมไม้ ถ้านึกถึงตรงนี้เป็นหลักพวกเธอบรรพจาอุปสมบทแล้วนุน่นที่อยู่ของพวกเธอลุกมุมลล่มไม้ตามถ้าเงื้อผาป่าเขาทําไมท่านนางชีก็ป่าแต่นันแพระสงฆ์องค์แน่นรุน่นน้องรุนรร่นนมรุ่นลูกรุ่นหลานตลอดถึงแม่ขาวนางชี อุบาจกอุบาธิกา <c oughs> คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนความสุขเกิดความสุขแบบธรรมชาติไม่ต้องแอบเองอาศัยปัจจัยสี่เหมือนเจ้าโลกเจ้าวบ้าน ความสุขธรรมชาติเกิดจากอะไรอย่างที่ท่านบอกอานิสงส์ของสีนสีเลนสุขะิงยันติผู้ใดเห็นคุณค่าการเว้นจากความชั่วตามฐานะตามหน้าที่ ชาวบ้านชาวโลกก็คือสินห้านั่นเองแต่และข้อแต่และข้อแต่และข้อเป็นที่มาเป็นที่เกิดแห่งปัญหาถ้าตั้งใจมาฟังตั้งใจศึกษาวิเคราะห์ในเหตุในผลเกิดความยินดีพอใจเหตุผลคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่แล้ที่ขาบทลงท้ายเวละมาเน่เวละมาเนจะเป็นสินห้าเป็นสินแปดภาษาเราความหมายก็คือให้พาการรันดิให้พากันเลี้ยงให้ปากันเวนในเสิ่งเด็พระพุทธเจ้าห้ามจะเป็นสินห้าหรือสินแปดสินเจ็ ถ้าตั้งใจาะขอในเหตุได้ผลมีแต่ท่าความเชื่อมุ่งมัน่นเราต้องการความสุขแบบธรรมชาติเราจะเช็มงวดกวดขันตั้งตัดจะอธิฐานโดยเฉพาะไม่จีวัรข้างหน้าจะถึงฤดูกาลเข้าพรรษาแล้ว ฤดูการเข้าพรรษาเป็นฤดูการี่ีะตั้งจิตตั้งใจเดิกถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่เกิดแห่งความสุขทางจิตใจอันนั้นคือการมาตั้งสัจจะ พอที่จะเข้าวัดได้วันพระรักษาสินห้ารักษาเสินแปดญาติโยมท้าตั้งสัจจะอธิฐานได้เป็นฤลดูการที่จะยกฐานะจิตใจของพวกเราเข้าสู่ความสุขที่เกิดจากเสินจัดรม อย่างนักบวชที่บวชอยู่แล้วแม่ขาวนางชีตลอดถึงพระสงฆ์องค์เนนตั้งจตจะอธิฐานทำความภาคความเพียรเดินจงกรมภาวนาตั้งใจทำความเพียรด้านจิตใจรักษาจิตใจ ทำไมพระพุทธเจ้าหรือกุบาอาจารย์สอนให้พวกเราเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีเหตุมีผลพวกเราบวชเข้ามาก็จริงโยแต่จิตใจของพวกเรา ความหนักนั่นเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมนั่นน่ะยังอ่อนกำลังของศีลอย่างอ่อนกำลังของธรมะะธรมตะเจธรรมตถาธรรมวิริยะธรรมยังอ่อนอันนั้นคือกำลังส่วนที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษมันมีมากอยู่อะไรกำลังสิ่งส่วนที่เป็นทุกข์เป็นโทษ พระพุทธเจ้าสอนว่ากิเลสโลภโกรโงตัณหาโดยเฉพาะนักบวชแม่ขาวนางชีอุบาุกอุบาสิกาตั้งใจตั้งทัจะมารักษาศีลแปดตลอดถึงพระสง์องค์เนึ สินแปดเป็นวาละที่ยก จ, จิตใจให้เหนืออารมณ์ของตันหาของกิเลสของกิเลสของตันหาอารมณ์ของตัญหาพระพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์คนเราเนี่ยทุกชาติทันวันนาทุกเพศทุกวัย ถึงจะเพศยรบรรพชาอุปสมบทแล้วกว็าตามแต่จิตใจนั้นแหยังมีจิเลศยังมีตัณหาอยู่จิเลศมีอารมณ์ของความโกรธมีอารมณ์ของความโลภมีอารมณ์ของความหลงก็ฟังแต่เชื่อมั น, ปนไปเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่ไม่ดี นอกจากโลภโกรธหลงมันมีในใจของพวกเราแล้วตัณหาที่เนี่ยตัณหา <c oughs> ท่านแบ่งไว้สามประเภทชื่อแต่และชื่อมันมีในใจของพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนนั่นแหละอันนั้นคือกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหา การมตัิหาภาษาเราคืออารมณ์เพศพวกเราบวชเป็นแม่ขาวนางเีพระสงฆ์องค์เนรแต่จิเลตทั้งหลายตันหาทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้บวชกับพวกเรานะต้องย้าตรงนี้ปลุกความจํานึกมีตติตรงนี้การมตัิหาอารมณ์เพศอันนี้อันหนึ่งตันหาที่สอง ภาวะตัณหาความอยากได้ลคดีชื่อเสียงเกียรติยศศักดิศรีเหมือนชาวโลกเขาถ้าต้องการถ้าหวังลักษณะนี้ในความรู้สึกทางจิตใจของพวกเราน่ยนะอารมณ์ลักษณะนี้มันเป็นอารมณ์ของตัณหาความทะเยอทะยานอยาก ตัณหาที่สามวิภาวะตัณหาพวกเราไม่ต้องการในสิ่งที่พวกเราเลี่ยงไม่ได้แต่พวกเราไม่ต้องการอันนั้นคือความเท่าความแจความเป็นโรคเป็นภยัยเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงที่สุดการร่มการตายพัดภาคจาก บุคคลและสิ่งของที่พวกเราไปให้ความหมายพวกเราเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เลี่ยงไม่ได้พระสงฆ์องค์แดนเลี่ยงไม่ได้ทุกคนในะตรงถึงตรงนั้นเราจึงเจอกันแน่แม่ขาวนางเกลียดญาติโยมทุกคนเลี่ยงไม่ได้ในสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่เราไม่ต้องการมันมีความรู้สึกกังวลทางจิตใจมันเป็นทุกข์ แล้วจกนั้นตันหาทั้งสามเนี่ยทีเนี่ยมันมาประสานกับกิเลสลอบโกรธรงตรงนี้นี่เอง <c oughs> มันเป็นเหตุใ้เกิดทุกข์จกนั้นอะสิ่งที่จะระงับดับและเป็นเครื่องแจเครื่องชำระกิเลสทั้งหลายตันหาทั้งหลายเนี่ย ไม่ใช่เรื่องอื่นด้วยนะศีลเป็นอันดับแรกสมาธิเป็นอันดับที่สองปัญญาเป็นอันดับที่สามฉะนั้นบัรพระชาอุปสมบทแล้วนะนะอุปช า, าจาย์ถึงสั่ง ลุกกระโมราเจนาทนังในซายาปะปปชาตะตะเตยาวชีวงังหุวซาห้อกัลลนิโยบรรพระชาอภสมบทแล้วโน้นที่อยู่ของพวกเธอตามธรรมเงื่อป่าป่าเขาลุกกระมูลล่มไม้สถานที่พวกเราอยู่เดียวนี่ขนาเน่ดยเจ้าพระ วัดเวรวันของพวกเราเนี่ยสมบูรณ์แบบการอยู่ในป่าในเขาแบบเนี้มันไม่มีอะไรที่จะมาเป็น การส่งเสริมอารมณ์ของกิเลสโลภโกรดหลงให้ฟุ้งพุ่งขึ้นมาไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาเสริมตัณหากามตันหาอารมณ์เพศเพราะว่าตัณหาความอยากได้ใคดีชื่อเสียงเกียรติยศให้มันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นและแต่นั้นอ่ะถึงจะไม่มีอะไรเป็นตัวเสริม แต่ความปิติภูมชาติเิเลตโลภโกรโงตัณหามันมีในใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราฉลาดรู้ตัวบวชก็จริงอยู่เมื่อบวชเข้ามาแล้วอ่ะให้ใจของพวกเราอยู่กับอะไรที่เนี่ยมันไม่เหมือนทางโลกฉะนั้นอ่ะ จึงให้อยู่ในลักษณะของศีลของสมาธิของตะติของปัญญาเรียนรู้ตรงนี้ทีเนี่ยฉะนั้นนักบวชเหล่า <c oughs> ที่จะหนีจากอารมณ์เรื่องกิเลสตัณหาเนี่ยแม่ขาวนางชีพระสงฆ์องค์เดนเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเนี่ย ให้มารู้ตัวว่าเราจะฝึกความสำเนึกด้านจิตใจของพวกเราให้อยู่ในลักษณะของศีลของสมาธิสติปัญญาเป็นแนวทางปฏิบัติปฏิบัติอยู่ภายในใจิตใจและดังนั้นอ่พวกเราจะทั้งใหม่ทั้งเก่าให้เรียนรู้ตรงนี้ไว้ สถานที่อยู่ตามป่าเป็นสถานที่ที่พวกเราจะเรียนรู้แล้วฝึกลักษณะของศีลของสมาธิของตติปัญญาเนี่ยที่เป็นเครื่องอยู่เป็นข้อปฏิบัติท่านบอกอาณิรสงเลยว่าศีลถ่าศีลถึงใจใจถึงถึงศีล อำนาจของศิลไม่ว่าจะพ่อที่นักบวชแม่ชาวบ้านท่านก็บอกอานิสงส์นะสีเลนะสุกติงยันติมีความสุขแบบธรรมชาติไม่มีปัญหาในชีวิตไม่มีปัญหาในครอบครัวไม่มีปัญหาท่ามกลางของสังคมนี้สาหรับชาวบ้านยิ่งนักบวชพวกเราทเนี่ยิเป็นเอกสองนยะ อันดับที่สองอันดับแรกคือเว้นจากขวมชั่วตามที่ขาบทนั่นนั่นแหละเศนแปดห้ามอะไรเศนสิบห้ามอะไรศินสองร้อยเย็บเห้ามอะไรให้สนใจดูเถอะถึงเนี่ยศึกษาเถอะสิ่งที่ท่านห้ามเป็นศินเพราะว่าศษเศษน่ะ น, น, น, นะ เป็นที่เกิดแห่งทุกข์แข่งโทษเป็นที่ส่งเสริมกิเลสโรคปวดหลงส่งเสริมตัณหาอย่างที่ว่านั่นนะให้มันมีกําลังพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นจีดใจมันก็เป็นทุกข์ฉะนั้นการศึกษาเรื่องลักษณิของศิลป์จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านทุกองคพระสงฆ์องค์เด่นแม่ขาวนางเกีย สิบแปดสิบเจ็ 10, สิบสองลอยยี่ยเพียนอกจากขิ้ขาบทแล้วก็คืออันดับที่สองญาณสังบ่อนญะาณญาหนังญาณคือความรู้ความรู้คือใจที่เรายังไม่รู้นะนะั่นแหละให้ได้ยินได้ฟังจากคุบายจานเหมือนอย่างที่พวกเราทุกท่านทุกคนกำลังฟัง ข้อปฏิบัติเรื่องศีลจากหลวงปู่กำลังอธิบายให้พวกเราฟังญาณสังวรญาณญาณังญาณคือความรู้ความรู้คือญาณญาณคือความรู้อย่าไปเข้าใจว่าญาณฌานฌานญาณเนี่ยเป็นความรู้เป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอย่างเดียว สำหรับพวกเราจย่งเป็นสามัญชนเป็นปุถุชนไม่ควรจะหรือว่าไม่ควรจะมีญาณมีฌานมีฌานมีญาณจะไม่เข้าใจอย่างนั้นนะแปลเป็นภาษาเราญาณก็คือความรู้ความรู้ก็คือใจของเรานั่นแหละแล้วความรู้ในเหตุในผลด้วยเนี่ยเหมือนอย่างหลวงปู่เนี่ยเอาคาสอน ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์รู้ด้วยญาณด้วยฌานเอากาสอนนั้นน่ะมาเสริมสอนให้ใจของพวกเราที่เป็นทานรู้อยู่แล้วเนี่ยนะให้รู้ให้เข้าใจตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าญาณหมายถึงลักษณะนั้นทันั้นคำว่าญาณคำนี้ก็คือความรู้คือใจพระพุทธเจ้าสอนว่า ให้สังบ o ให้ระวังยาณสัง b o n ระวังระวังอารมณ์อันนี้อารมณ์แต่และครั้งแต่และคราวแต่และวันแต่และเวลากลางวันกลางคืนมันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นนอารมณ์ของกิเลสหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญไม่ยินดีไม่พอใจหรือว่า อะไรทุกอย่างเกิดความยินดีพอใจไม่มีขอบไม่มีเฉดแบบลักษณะที่โลกโลกเขาไปผสมกับตัณหาความทะเยอะะยานอยากตามมาตัตตนาอารมณ์เพศความสำเน็กตรงนี้มันเคิดขึ้นปตรงขึ้นคิดขึ้นตุงขึ้นปรุงปรุงขึ้ น, น, น, นเอาญานคือความรู้เนี่ยมาดูไอ้นี่มันผิดแล้ว ระวังทีนี้รักษาทีนี้จะมาสังบอนคือระวังอย่าให้จีเรตัญหาผาจิตของเราเนื้อคิดอย่างนั้นระวังตรงนี้เี่ยกตรงนี้เลี้ยงตรงนี้ระวังตรงนี้อันนี้หน้าที่ของพวกเรา เมื่อพวกเราระวังตัวนีให้ใจของพวกเราอยู่ในลักษณะของศีลนเนี่ยจิริยาของศีลลักษณะของศีลอันดับที่สามเป็นจิริยาเป็นลักษณะเป็นเครื่องอยู่ของใจอันนั้นคือศีลความปกติกายปกติใจฟังแล้วก็ ดูในใจทันทีเลยลักษณะของใจเออสิ่งเกิดความปกติใจเราตั้งใจขึ้นมาดูความปกติทำความปกติของใจให้มันเกิดขึ้นสิน่งเกิความปกติใจห้ามาเรียนรูตรงนี้ถ้าใจเคล็ดวุ่นวายจะมากจะน้อยเพลิดแล้ว นั่นมันเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอารมณ์ของตัณหาแล้วนะี่ฟงซ่านแล้วมันพิษศินคือความปกติใจปกติกายปกติใจเ อ, อ้อใจปกติอารมณ์ดีอารมณ์เป็นปกตินึกอลักษณะนี่ขึ้นมานอกจากศินคือความปกติศินคือความเรียบร้อยที่เนี่ย ใจของเรามีอารมณ์ดีเป็นปกติอารมณ์ความรู้สึกอันนั้นกะมันก็เรียบร้อยมันไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาไม่มีความกางังวลความหมายนะ่ะความเรียบร้อยมีที่ใดมันก็เกิดความงามขึ้นความดีความงามขึ้นใจดีใจงามใจเรียบร้อยใจเป็นปกติ อันนี้เราฝึกอันนี้ตัณหาปฏิบัติอันนี้ตัณหารักษาอันนี้ตัณห า, านนต่อฟังได้ ด, ดีงามเรียบร้อยมันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ของกิเลสตัณหากามมตัณหาอารมณ์เพศภาะวะตัณหาอยากได้ใกล้ดีชื่อเสียงเกียรติยศจากสีความดีเหมือนชาวโลกเป็นคนละเรื่องกัน จากนั้นอนะ่ะที่อยู่สถานที่ฝึกสถานที่ปฏิบัติอย่างพวกเรานั่งอยู่ในเนี่ยวัดของเราเป็นสถานที่เหมาะสมเรียนรู้สําหรับข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิสติปัญญาเนี่ยต้องดูในลักษณะฝึกใจ ให้อยู่ในลักษณะของศีลอย่างที่ว่าเมื่อเราอยู่ในลักษณะของศีลเราจะเห็นความเป็นธรรมชาติสีเลนะสุกติงยันติใจถึงลักษณะของศีลศีลลักษณะของศีลเข้าถึงใจใจของแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละคนเบ้นจาก อารมณ์ของกิเลสตัณหาฝ่ายอยากฝ่ายชั่วมันจะมีความสุขเยื่อเยินสงอบรบเจ็นความสุขแบบธรรมชาตินะตรงนี้จะเป็นพื้นฐานดิเนะี่ยเป็นพื้นฐานของการฝึกสมาธิความสุขลักษณะของสินนั้นยังไม่มีพลังยังไม่มีกำลังพอนะ แตล้วเอาเส้นเป็นพือนฐานสี <c oughs> สีหลังท่านเปียบเหมือนก้อนเห็นแผ่นเห็นสีหลังสีลานความปกติน่ะเรามาฝึกให้มีความหนักแน่นเหมือนก้อนเห็นแผ่นเห็น ฝนตกมาแดดมาทุกทิศทุกทางก้อนเห็นแผนเห็นไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวตัวสีหลังสีลาศีนสีหลังสีลาเปรียบเป็นก้อนเห็นเรามาเรียนรู้ลักษณะนี้วราธรรมใจของเราลักษณะนี้เลยเนี่ยเอาศีนเป็นอารมณ์ลักษณะของศีนอย่างที่ว่าศีลานุตตินุตติเครื่องระลึก ให้ใจของเราเนิกมีลักษณะนั้นเป็นเครื่องอย่วิหารและามเครื่องอย่ส่วนประกอบให้เกิดความหนักแน่นเป็นสมาธิไปได้ทีนี้ <c oughs> เมื่อเราตั้งใจเอาศีลเป็นพื้นฐานความปกติดีของใจอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยเป็นปกตินี่เป็นพื้นฐาน ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นได้ชัดเลยถ้าเผื่อพวกเราศึกษาและก็ น, น้อมเข้ามาเป็นตัวอย่างที่พวกเราจะทำตามองศาสดาหรือทำตามสาวกสาวิกาเพราะพระพุทธเจ้านั่งสมาธิน่ะ สมัยพระพุทธเจ้าเริ่มฝึกเริ่มนั่งสมาธิจิตใจหรือพระไทยของโป่งท่านก็เป็นสามัญชนเป็นพุทธชนธรรมดา น, นั่นแหละมีอารมณ์ของกิเลสมีอารมณ์ของตัณหาโลภโกรดหลงตัณหาภวะตัณหาวิวัตัณหากรรมมัตตนาแบบเรยวกับพวกเราลน่ะแต่ในเมื่อพระองค์ด้วยบุญญาบาลเมของพระพุทธเจ้า ในขณะที่อยนั่งฝึกสมาธิความรู้ที่โปองเคยได้ผ่านมาเห็นคุณค่าถ้าดูตามพุทธประวัตินะ่ะในเมื่อโปองยังทรงพยาวพระพี่เลี้ยงเอาโปองท่านตามพระราธพิดาไปไปประกอบ แลกหนาขวานตามขนบทำเนียมประเพณีพระองค์นั่งอยู่คนเดียวองค์เดียวคนเดียวเงียบเงียบตามลมไมอยู่คนเดียวด้วยบุญญาบรารมีนั่นแหละเอ๋เงียบเงียบเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากวาตาหนาบารมีสร้างบารมีมาเนี่ยกาหนดตั้งใจดูลม กำหนดดูลมเห็นคุณค่าตรงนั้นนะ่เนี่ยไม่ได้ส่งจิตถงใจไปเดื่นสมาธิความสงบเห็นความเป็นอัศจรัรย์อัศจรัรย์เห็นได้ชัดทางตาที่พระองค์ น, นั่งอยู่กใต้ลมไม้เวลาลมไม้ตามปกติธรรมดาตะวันมันบ่ายมันลมมันก็เอ่ยล่มมันก็เอียงไป อันนี้ลบอย่างเที่ยงตรองอยู่นั่นน่ะเห็นเป็นควมเป็นอัตจันทร์นี่จะว่าบารมีที่สร้างมาบารมีความดีที่สร้างมาบารมีความดีที่สร้างมาเรียนจากพระพุทธเจ้าก่อนจนเมื่อพระองค์บรรพชาอระสมบทอายุยี่สิบกว่าปี ขนาดเชื่อชาติเป็นเจ้าฟ้าหมหากระสัตรนั่นะนออกปฏิบัติที่ใจของพระองค์จะเป็นสมาธิเห็นความสุขแบบธรรมชาติมารำลึกนึกถึงตัวนั้นและเห็นความเป็นอัตยัเรื่อง <c oughs> ชีวิตกับลม ชีวิตจะอยู่ได้กับเพราะลมหายใจเข้าลมหายใจออกฉะนั้นคุณค่าของลมหายใจเข้าได้ลมหายใจออกได้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐในชีวิตของมวล ม, มนุษย์ทั่วโลกและตัวเองด้วย จะได้เมื่อหมดลมเท่านั้นะชีวิตก็หมดไม่มีความหมายพระพุทธเจ้าก็เลยสัญชาตยานสิ่งที่เลอเลปอดปเปืิิดกับลมนอกจากคุ้มของ <c oughs> เรือรักษาชีวิตของเหล่าไว้ได้น่าจะมีความเป็นอัตจรรย์เหนือกว่านี้อีก มีความมั่นใจตรงนั้นเลยนะพระองค์เลยมากำหนดรูกลมหายใจเข้าก็รล้ลมหายใจออกก็รู้เมื่อได้ชิดกังวนเรื่องอื่นตั้งตติฝึกตติตั้งตติฝึกตติเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นแหละเป็นเครื่องกำหนดรูก ในขณะเดียวกันก็หักห้ามแนวคิดเรื่องอื่นเห็นความเป็นอัตจารย์ออกอะนี่จิตจกตสงบหรือพระไทยของโป่งท่านสงบเป็นสมาธิแนบแน่นเห็นความเป็นอัตจารย์แบบความสุขชีวิตที่เคยผ่านมา ไม่มีความสุขประเภทไหนจะมีความสุขเลอเลอิศประเสริฐธรรมชาติเท่ากับจิตสงบนี้จนนัตถิสันติประลังสุขขังเนี่ยวัยน้องไวัยหนุ่มวัยลูกไวห ล, ลา น, ลานพาน้องพานุ่มพาลูกพาหลานหรือแม่ขาวนางเชีสิ่งที่พระพุทธเจา้าสอนเห็นคุณค่าจากการฝึก สิ่งที่พระ อ, องค์ฝึกก็อย่างที่ว่าน้อมก็มาสู่เราในสถานที่ของพวกเราก็อยู่ในสถานที่ตามป่าส ง, งบงบเงี้แบบธรรมชาติถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจตั้งแต่ติ เอาใจของพวกเราอยู่ในลักษณะของเส้นเส้นคือความปกติกายปกติใจอารมณ์ดีรมเรียบร้อยสิ่งเหล่านี้เกิดเองไมไม่เกิดเป็นเองไม่ไม่เป็นเมื่อเรียนรู้เราจะนี่คือการฝึกปฏิบัติเนี่ปฏิบัติใจเมื่อปฏิบัติใจมีลักษณะความเป็นปกติดีอารมณ์ดีเรียบร้อยเป็นพื้นฐาน ต่อไปจะได้ฝึกสมาธิที่นี่เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างแล้วก็เห็นคุณค่าสอนพวกเราเจตการกาหนดดูลมหายใจเข้าก็รล้ลมหายใจออกก็โล่ลมหายใจเข้าก็รล้ลมหายใจออกก็โล่โย า, านาปานุตติ กำหนดดูลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ฉะนั้นลมหายใจอันนี้ไม่ใช่เ บ, บีแต่พระพุทธเจ้าสาติเครื่องระลึกรู้เรียนรู้ว่าลมออกลมเข้าพวกเราก็มีด้วยฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนตาตโลโลลักษณะ น, นี้สอนบรรดามนุษย์ทั้งหลายครั้งพุทธกัน เป็นสาวกสาวิกาสำเร็จเป็นพระลาหนเกิดพลังของสมาธิธิติปัญญานับไม่ถ้วนประมวลไมจ่จบแต่นั้นแพาน้องพาหนุ่มพาลูกพาหลา น, มา น, านแม่ขาวนางเีมเชื่อเถอตรงนี้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนขั้งพุทธการ บรรดาสาวกสาวิกาฟังแนะนำ ป, ะปฏิบัติสำเร็จเป็นพระรหันต์นับไม่ถ้วนประมวลมาจบแล้วคำสอนการปฏิบัตินี่ถ้าพุทธเจ้าก็สอนนมเป็นอาการได้โกทรมรรคือไม่เลือกการไม่เลือกเวลาขั้งพุทธการการกำหนดลมหายใจได้ดี ใจเป็นสมาธิแม้ปัจจุบันในขณะ น, นี้ลมหายใจพวกเราก็มีอยู่พวกเราออกบวชเหมือนขั้งพุทธการออกบวชคือเหล็กเลี่ยงจากที่เกิดที่ไปที่มาของกิเลสของตัณหานั่นเองกิเลสตัณหามันก็ไม่มีสิเหมือนกันพระเจ้าจะมีแต่ขั้งพุทธการปัจจุบันนกการอเดียวกัน และแต่นั้น่นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นน่ะเป็นอากาลิโกรธรรมไม่เลือกการไม่เลือกเวลาปีสมบูรณ์ในปัจจุบันก็มีเชื่อเถินําฝึกเถอนตรงเนี้พาน้องพานุ่มพาลูกพาหลานพากําลังที่ฝึกใหม่บวชใหม่ตั้งใจเถิดเมื่อเผื่อพวกเราตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติความสุขธรรมชาติที่เกิดจากพลังของศีล ม่จะเห็นความสุขเป็นอิสระเสรีภาพภายในจิตใจไม่วิตกไม่กงังวลจิียดใจเป็นปกติดีอารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยนั่นลักษณะของศีลลักษณะลักษณะนี้เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เป็นสมาธิคือความสงบอารมณ์ของกิเลสตัณหาไม่จะสงบได้ก็ มาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนอย่างที่พวกเรานั่งอยู่นะเนี่ยแต่จิตนี่ใยแต่และท่านแต่และองค์ก็อย่างบ้านอะแนวทางปฏิบัติภาคปฏิบัติกรรมฐาน <c oughs> ที่สายหลวงปู่เสาหลวงปู่มันบางท่านบางองค์ท่านก็ เอาพุทธโธมาเป็นส่วนประกอบการนึกภาวนานนะเอานึกพุทธโธพุทธโธแทนการดูลมหายใจเครื่องระลึกนึกถึงเนี่ยตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าล่นุตติ พุทธานุตติเป็นเลือกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อันนี้ก็ได้ธรรมานุตติสังคานุตติสีลานุตตินอกจากอาณาปานุตติติฉะนั้นแนวทางที่บรรดาครูอาจารย์ที่ท่านฝึกท่านปฏิบัติมาท่านเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นะ่ะ นอกจากกำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกรูอาณาปาณาติเตนั่ะจะมานึกพุทธโธพุทธานุตติเนึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธอยู่ในความรู้สึกทางใจนะตั้งตตินึกบางท่านบางองค์บางคนมีนิสัยสร้างความดีมาลักษณะ น, นี้นึกถึงพุทโธพุทธโธ เป็นส่วนประกอบเพื่อให้ใจมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอันนี้ก็เป็นไปได้ไม่ต้องรงสายหรือจะนึกธรรมโมธรรมโมหรือสังโฆสังโฆเป็นลักษณะเดียวกันเปลี่ยนวิถีสิ่งที่เรานำมานึกเฉยแต่การนึก ก็คือตั้งแตติให้อยู่จุดนั้นจุดเดียวเฉยๆแต่นั่นแต่และอย่างแต่และอย่างพวกเราสามารถทำได้นะจะนึกพุทโธพวกเราก็ น, นึกได้จะนึกทำโมพวกเราก็ น, นึกได้นึกสังโฆพวกเราก็ น, นึกได้ในสิ่งที่พวกเรานึกได้นี่นะกะ็แสดงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อเข้าสู่ มากสู่ผลนั่นแหะมันสมบูรณ์อยู่เชื่อเถอะตรงนี้ถ้าเผื่อไม่พวกเรามีความเชื่อมั่นหน้าที่ของพวกเรากลางวันกลางคื น, นเดินเดินนั่งนอนถ้าเผื่อไม่มีภาระหน้าที่การงานอะไรหลบเข้าหาที่ทางจงกรมหลบเข้าหาที่นั่งภาวนากุฏิของใครของเราฝึกอันเนี้ยฝึกใจอย่างี่ว่า ฝึกใจอย่างที่ว่าอันนี้คือทำความเพียรด้านจิตใจตั้งตติทำความเพียรด้านจิตใจอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราทำความเพียรด้านจิตใจเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าสอนสุขสมบัตินามนุสสมบัติพวกเราผ่านมาเจอมาเจอความเป็นสมบัติมนุ์สมบัติแล้ว สมบัติที่สองเหนือขึ้นไปกว่านี้กับสวรรค์สมบัติถ้าเผื่อพวกเรามีความมั่นใจเชื่อมั่นตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสุขสมบัติพระพุทธเจ้าสอนว่าความสุขเลิศประเสริฐสุดจุดหมายปลายทางนั่นคือนิพพานสมบัตินิพพานสุขเกิดขึ้นเพราะพลังของศีลของสมาธิ สติปัญญาเนี่ยอันนี้คือเส้นทางของพวกเราตามคาสอนที่ปราพุทธะเจ้าสอนเชื่อเถอะตรงนี้ถ้าเราเชื่อวัฒนาบาณีความดีของพวกเราเนี่ยเราทําลลักษณะเนี่ยความสุขนะมันเกิดขึ้นความสุขธรรมชาติ ข่านาที่หลวงปู่เองเคยได้ฝึกคุณน่าทำไม่เลอเลือดปเปรฐเหมือนอย่างที่ว่าก็จริงอยู่แต่หลวงปู่ภูมิใจอย่างที่ฝึกอายุยังน้อยยังหนนะุ่มหน้าอดอาหารทำคมเพียร น, นะสองวันสามวันหรือสี่วันห้าวันอดอาหารทำคมเพียร น, นะ ตามธรรมดาอดอาหารทำความเปียนปกติถ้าไม่กินอาหารไม่ทานอาหารมนุษย์คนเราเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนอาขนาดมือเดียวก็ไม่มีใครต้องการอยากจะทำแบบนั้นอยู่แล้วอันนี้ไม่เอาอะไรเลยอดเลยสองวันสามวันสี่วันห้าวันอาทิตย์ มันจะเหนื่อยจะทุกข์ขนาดไหนถ้าแบบพระเจ้าบ้านธรรมดาแต่แล้วก็อย่างบ้าน่ะใจมันไม่ได้อยู่กับความเหนื่อยความเมื่อยความหิวเกิดจากอดอาหารผ่อนอาหารมันอยู่กับลักษณะของศิลปของธรรมอย่างที่ว่าให้ฟังมันไม่ได้อยู่กับความเหนื่อยความเมื่อยความหิวนี่ ดังนั้นโยกับลักษณะของศีลของธรรมนะตรงนั้นหละจึงได้ดำเป็นตัวอย่างมาอธิบายให้พาน้องพานุ่มพารูกงพาลานฟังเกิดความรู้สึกว่าใจมันสงบอยู่ลักษณะนั้นนะถ้าเผื่อจะร่างกายของตัวเองอยู่ได้นะที่ไม่แันนอาหารนั่นนะแต่ในขระเดียวกันมันสุขทางด้านจิตใจนะ ถ้าเพื่อร่างกายอยู่ได้โอ้จะไม่กลับออกไปบินธบาทมาฉันอีกมาเที่ยวทัไมเหนื่อยปากมันนึกถึงลักษณะนั้นเก้นมาอยู่นะก็แสดงว่าเออความสุขเนี่ย่ะสุขแบบธรรมชาติเกิดจากศีลเกิดจากสมาธิเนี่ยมันเป็นความสุขที่เลอเลือดประเสริฐกว่าความสุขแบบโลกโลกเข้าหากันเขามีเข้าหาเป็นความสุข อยู่ในฐานะที่จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแบบโกโๆกักนดะังแต่เขาก็ยังคล้องยังติดไปยินดีแต่นั้นแะสุกแบบธรรมชาติเป็นสาระแก่นสารจนถึงที่สุดเข้าสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยพวกเรากำลังเดินทางอย่าหยุดเถอะถ้าเผื่อเป็นไปได้ดำเนินตามเส้นทางนี้ไปเถอะ พอจุดหมายปลายทางความสุขที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนารวมพวกเราก็ด้วยนั่นคือนิพพานสุขจุดหมายปลายทางอยู่ตรงนั้นเยิ่ยงมาพิจารณาจิตใจเป็นสมาธิพิจารณาในสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเขาติดเขาข้อง <c oughs> พิจารณาเรื่องการฉันบินทะบาทเนี่ย <c oughs> ที่พวกเราสวดปฏิสังขาโยรเจมายาในหลังทาบัตหรือปฏิสังขาโยตอนทำวัตเช้านะหลวงปู่ฟั่นท่านอธิบายให้ฟังอธิบายแล้วก็นำมาพิจารณานะปฏิสังขาโยนิโสปินะปาตังปฏิเสบวาบบพิจาราก่อนฉันปิณบาทนาะตากาหันเสบบาทเสร็จแล้วนะ ให้พิจารณาตามหลักคำสอนท่านสอนว่าอาหารทุกอย่างนั่นรวมไปในบาทนั่นนะแท้ที่จริงแล้วมันเป็นของปฏิโกลมันเป็นของโสโครมันไม่เหมือนที่ชาวโลกชาวบ้านเออมันอันเล็ดอร่อย ถ้าพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอาหารเนี่ยมันเป็นของปฏิโคนไมันเป็นของโสโคกมันไม่ใช่ของเลี้ยงชีวิตมันไม่ใช่ของเที่ให้เกิดอริสอร่อยในการใช้กะนั้นเนื้อหาปฏิสังขายโยนิโสปินทปตาตังปฏิเสบาน้ปฏิสังขาพิจารณาแล้วโยนิโสมนาติการโดยอุบายที่ชอบ จะชอบมาได้เพราะอะไรให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าอาหารเนี่ยไม่ใช่เป็นของอร่อยอร่อยไม่ใช่เป็นของติดเลี้ยงชีวิตเป็นเพียงยทาตุมตะโกมันเพียงแต่เป็นแต่ธาตุธาตุเด่นอาหารทุกอย่างเป็นธาตุดินนื้แ ต, ต่ตไม่ใช่ของเลี้ยงชีวิต ไม่ใช่ของเป็นที่มีชีวิตถ้าเป็นของเลี้ยงชีวิตคนไม่แก่ไม่ตายสุญโยเป็นของเปล่าสรัพย์ภพอายางของทั้งหมดนั่นน่ะถ้ามองดูแต่ไก่อยู่ข้างนอกเออเหมือนของสวยของงามหน้าอะไรแต่ลอยโยข้านิยมแบบทางโลกชาวโลกเขา อีมังพอมาถึงตัวเหล่าปูติกายังปัตะวะหลวงปูฟันอธิบายแล้วก็นำมาพิจารณาทีเียพอเข้าถึงตัวเหล่าอาหารเข้าปากคนล่ะเชียวออกมาเชียวแล้วก็คลายออกมาเป็นของประตูประตูกูในขนาดนั้นเลยถ้าให้คนอื่นกินก็คงไม่กินเนี่ย และจากนั้นนําพิจารณาว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยอาหารหวานข่าวทุกอย่างเนี่ยตามกภาวะความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปมันจะต้องบูด ต, ต้องเน่าต้องเน่าต้องบูดต้องเหม็นต้องเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรจะไปยินดีกับมันมันเห็นแบบธรรมชาตินะฮบางครั้งบางข่าวจนฉันจะไม่ลง มนันเป็นของปฏิกูลด้านความรู้สึกนะอันนี้จะแสดงว่าทางด้านจิตใจมันเห็นเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นแบบธรรมชาติมันเป็นคนละเรื่องกับเม่ได้พิจารณาเมื่อไม่ได้พิจารณาเห็นว่าอาหารประเภทนั้นน่าอร่อแต่่อยอันนี้เป็นเรื่องของโมหะความหลงเป็นเรื่องของตัณหาแบบโล ก, โลก แต่ถ้าวาลาจิตในเมื่อเราฝึกเราเพิรเจนาวาลาจิตของเราเข้าสู่ลักษณะของความเป็นสินเป็นธรรมเนี่ยติธรรมปัญญาธรรมมันเกิดขึ้นนะมันจะเห็นแบบธรรมชาติที่เกิดความเอื่อมละอาเบื่อหน่ายคลายจากสิ่งที่ไปให้ความสมมติความหมายนั่นนะมันเกิดขึ้นจากใจใจมันเกิด ถ้าใจมันเกิดเกิดขึ้นจากใจเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกว่าสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนใช้ความฉลาดอย่าไปหลงเย่งมาติกจนากรรมาฐานห้าที่อุปชาสั่งเนี่ยในสถานที่พวกเราเดินโยกคมนั่งสมาธิตามป่าตามดงเนี่ยอุปชาท่านบอกคงสอน กรรมฐานะาเจสาโดมานะขาทันตาตาโจพวกเราฝึกมาเรียนมาเรียนเก้าปัชาด้วยกันทั้งนั้นแนะ่ะเจสาแปลว่าผมโรมาแปลว่าผลนานะขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันตาโจแปลว่านังอโนโลมอนมอนโลมโออเ น, นีย มนุษย์โลกเขาต้องการว่ามันเป็นสมบัติอยู่ในผู้หญิงผู้ชายโลกเขาแต่งตรงนี้ให้เกิดเป็นของสวยของงามว่าเป็นผู้เป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอนุโลมว่าตามเขาผมก็เป็นอนุโลมว่าตามเขาผมขนเล็บปันอนุโลมว่าไปตามโลกแต่ที้ถอยกลับที่เนี่ย ปฏิโลมจากที่ว่าโลมาเจอนาเจตาโรมานะั้ขาทันตาตาโจถอยกับตาโจธันตาโลโรมาหนะ้ขาเจตานะถอยกับถอยกับเป็นการปฏิโลมที่เขาว่าโลกข้างไหนก็ว่าเป็นของดีสวยงามเป็นแต่ละดเกี่ยงสาร กับมาพิจาราสิ่งเหล่านี้ไม่มีส่วนไหนที่เป็นของสวยของงามเลยทีนี้เป็นของปฏิค โ, โคนโศกเท่านั้นอย่าปฏิลมปฏิบัติถอยกับตาโจดันตาหน้าขาโลมาเจสาปฏิโลมถอยกับจากโลกทั้งหลายก็ให้ความสมมติว่าสวยงามแต่ของเหล่านี้ไม่เป็นของงาม เนี่ยวาระจิตมันเกิดขึ้นจากพลังของเศออนของสมาธินะ่ะนะจะกลายเป็นตติปัญญารูตามความเป็นจริงความอึอมละอาเบื่อหน่ายนะมันจะเกิดขึ้นแล้วพลังของเดยโมหะความหลงลาคะอารมเพศส่วนนี้ไปจำละล้างมันนะ ฉะนั้นพลังในส่วนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าพวกเราทุกท่านทุกองค์ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติเป็นอาการดีโกดัมผลการปฏิบัติไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเชื่อเถอะพะน้องพะหนุ่มพะลูกพระหลานหรือพี่น้องญาติโยมถ้าเผื่อพวกเรา ฟังในแนวทางปฏิบัติครูบาอาจารย์ทุกองคท่านปฏิบัติอย่างนี้ประชาชน ญ, ญาติยอมก็มีความสเสงี่ยเออเรามีเนื้อนาบุญแล้วที่ทําบุญใจบาตกับพระสงค์องเดนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรามีเนื้อนาบุญที่สมบูรณ์แล้วเนื้อนาบุญตรงนี้เราทําบุญน้อยเลยมีอาณาสงฆ์มากตามการตามเวลา ยิ่งทำบุญมากยิ่งมีอาณาสง์มากท่านเปรียบเหมือนว่าข้าวเมล็ดหนึ่งนั่นน่ะเมื่อเราหว่านลงไปเมล็ดเดียวเกิดขึ้นมาต้นเดียวแต่ไปออกรวงที่ีมันมจีเมล็ดเอาข้าวแล้วใส่บาทวันนึงนั่นน่ะนับได้ไหมจีเมล็ดขนาดเมล็ดเดียว เกิดต้นขึ้นมาออกหลวงก็มโรจิตเป็นลน้อยๆมาเลยและจากนั้นอ่ะที่พวกเราทําบุญไใจบาตทําบุญใจบาตเนี่ยอย่าไปเออเนี่ยเราทําบุญไใจบาตมันน้อยไปอย่าไปคิดอย่างนั้นยิ่งทําทุกวันทุกวันทุกวันทําน้อยก็พลาอานิสงมันก็มีมากก็อย่างพี่ว่านั่นนะแต่นั้นดาพี่น้องอยิโยม ผู้มีตถาตรงนี้พวกเราอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติพระสงฆ์องค์เรี้ยงปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบประพุฤติว่าเนื้อนาบุญของเจ้าโลกเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราภูมิใจเถอะพบนี่ชาตินี่ไม่เสียโอกาสไม่เสียเวลาแต่สถานที่ที่พวกเราอยู่สถานที่เหมาะแจกการฝึกแจกการปฏิบัติ ขนาดที่พวกเรานั่งฝึกนั่งปฏิบัติอยู่ขนาดนี้ความเจ็บความปวดเป็นตัแสดงว่าความทุกข์นั่นแหละมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วเอเหมือนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพวกเราเหมือนไม่ใช่แฉ่งขาพวกเราเห็นไหมจริงๆแล้วใจของพวกเรามันมาใสยอยู่กับกองทุกข์ไม่ใช่เดลอนั่งอยู่กับกองทุกข์นอนอยู่กับกองทุกข์ กินในเปลเรี่ยงกองทุกเนี่ยไว้ถ้าพิจนาเข้ามาในแง่นี่แล้วเฮ้ยมันจะน่ายินดีพอใจอะไรเจนเนี่ยกับมนุษย์คนเราทั่วโลกขนาดตัวของเรามื่อกาทุกแบบนี้อยู่แล้วอันนี้แนวทางที่พวกเราควรจะศึกษาควรจะเข้าใจตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าตามโอกาสการเวลาของพวกเราไอพานเข้าใจเ <c oughs> อเมื่อ ให้ข้อชิดเป็นกติเตือนบรรดาพาน้องพานุ่มพาลูกพาลานต่นนนอถึงตลอดถึงเม่ขาวนางชีญาตยมอมหน้าที่ของพวกเราควรจะมีความภูมิใจยังไงตามหน้าที่การทำบุญของพวกเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งเห็นว่าพอึองควรแก่เวลาจึงของยุติไว้เพียงแก่นี่